8. พระธรรมทูตของเซนธรรมจารีตในพุทธศาสนาอย่างเซนมีว่าสิทธิครูบาอาจารย์จะยอมอนุญาตให้ไปเที่ยวสั่งสอนของนั้นจะต้องอยู่กับอาจารย์อย่าง น, น้อยๆ อ, อีกสิบปีหลังจากตนได้ลุถึงเซนแล้ว รัชสมัยเมจิในญี่ปุ่นราวๆปีพุทธศักราช2411ถึง2455ท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนคืออาจารยน์นันอินมีสิทธิคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายของผู้จะถูกส่งตัวออกไปเผยแพร่พระธรรมสิทธิคนนี้บวชหลายภรษาแล้วชื่อเทนโน เจ้าตัวเองก็เตรียมจะไปกระทำหน้าที่คอยทีคอยโอกาสที่จะเข้าไปกราบลาพระอาจารย์ผู้เท่าอยู่วันนั้นเป็นตอนเย็นฝนฟ้าโปรยไม่ขาดระยะทำให้บริเวณวัดเฉะแช่ไปหมดภิกษุเทนโนเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงกางร่มสวมเกีย้ย เดินฝ่าสายฝนตรงไปยังกุฏิท่านอาจารย์เข้าไปมอบกราบเรียนเรื่องนี้ต่อท่านอาจารย์เพื่อฟังว่าอาจารย์จะเห็นควรหรือไม่ควรประการใดท่านอาจารย์นันอินเมื่อเห็นสิทธิเข้ามาหาก็ปฏิสันฐานเป็นอย่างดีถามนั่นถามนี่มีตอนหนึ่งท่านถามขึ้นว่า ที่เธอมาเนี่ยสวมเกียรมาหรือเปล่ากางร่มมาหรือเปล่าเมื่อได้รับคําตอบจากสิทธิ์ว่าได้ทาเช่นนั้นท่านก็ดักถามขึ้นว่าเธอวางร่มไว้ข้างนอกประตูบันไดนั่นนะ่ะวางทางซ้ายของเกียรหรือทางขวาของเกียะภิกษุเทนโนถึงกับนิ่งอึง่ง ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะถูกถามเช่นนี้พร้อมกันนั้นก็ทราบได้ด้วยตนเองเพราะก็เท่ากับเป็นการบอกกล่าวของอาจารย์ไปในตัวว่าตนเองยังไม่ถึงคราวที่จะนำาศาสนาธรรมฝ่ายเซนไปแจกจ่ายให้ใครได้เพราะตัวเองก็ยังมีได้มีเซนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตกลงภิกษุน์เทนโนต้องอยู่ศึกษาในสำนักอาจารย์ไปก่อน โดยอาจารย์ใหญ่ไม่จําต้องร้องกล่าวห้ามปรามหรือชี้แจงให้รู้จักตัวเองแต่อย่างใดภิกษุเทนโนต้องใช้เวลาอีกหกพันษารวมกันเป็น16ปีท่านจึงมีสติสมบูรณ์เต็มที่นิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ทำให้เราได้ทราบขึ้นมาอีกเหลี่ยมหนึ่ง หรือแง่หนึ่งของผู้ได้เซนคือแม้จะลุ้ถึงเส็นแล้วก็ยังต้องฝึกฝนตนต่อไปอีกจนมีคุณลักษณ์ที่ในภาษาบาลีเรียกว่าสติมาคือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงจะนิยมกันว่าจักเป็นอาจารย์ของคนอื่นเขาได้ ไม่ใช่ใครๆที่อยากจะเป็นอาจารย์อยากจะเป็นพระธรรมทูตก็แข่งกันออกเที่ยวไปประกาศสักว่าคิดได้พูดได้ก็เป็นพอมันต้องห่วงสถานะของพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าว่าจะไปในรูปไหนอย่างไรด้วยในเรื่องนี้มีคติที่เราจะถือเอาได้ทั้งในฝ่ายการเป็นผู้ใหญ่คือท่านอาจารย์ผู้เท่า ปฏิบัติอย่างไรต่อภิกษุหนุ่มและทั้งทางฝ่ายภิกษุพูถึงกับคิดจะไปสอนเขาที่ตนเองจะต้องปฏิบัติตัวเช่นไรไม่ใช่จะเอาเกณฑ์จำนวนพรรษาหรือเอาเกณฑ์ที่คนอื่นพากันเรียกร้องว่าท่านอาจารย์แล้วก็เลยเข้าใจเอาเองว่าตนเป็นอาจารย์ในทางธรรมให้เขาได้จริงๆเพราะที่เขาเรียกนั้น เป็นเพียงมารยาการให้เกียรติเท่านั้นสำหรับอาจารย์นันอินปฏิบัติต่อสิทธิ์ในเรื่องนี้ได้งามมากงามโดยไม่ต้องไปแจงถึงความพร่องไม่บริบูรณ์ทางสติปัญญาของสิทธิให้เขารู้เอาได้ด้วยตัวเขาเองเมื่อสิทธิ์คนใดมันดีจริงก็จะรู้จักตัวเอง อาจารย์ไม่ต้องถึงกับห้ามว่าไม่ให้ไปเพราะการทําเช่นนั้นไม่เป็นที่ถูกใจของคนหนุ่มหรือคนที่เตรียมตัวเองจะเป็นอาจารย์อยู่แล้วคนเหล่านั้นตามธรรมดาก็มีกิเลสอยากสอนคนอื่นเป็นทุนอยู่แล้วฉะนั้นท่านอาจารย์ผู้เท่าจึงไม่ขัดคอห้ามปรางตรงๆงท่านถาม เพื่อให้สิทธิ์รู้ขึ้นเองว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรสถานไรท่านถามว่าวางร่มไว้ทางไหนของเกี้ยนั่นก็เพื่อทดสอบว่าจิตของภิกษุเทนโนเองเป็นอย่างไรตามธรรมดานั้นใครๆก็ตามตอนจะเข้าพบท่านผู้ใหญ่ก่อนจะพ้นธรณีประตูเข้าไปทุกคนย่อมอึด เครียดไปพักหนึ่งด้วยจิตภาวกผวนสติสัมปชัญญะในตอนนั้นมักจะขาดตอนไม่ติดต่อเสียโดยมากอากับกิริยาทางกายจึงไม่ได้ควบคุมวางเกีย้ยไว้อย่างไรวางร่มไว้อย่างไรไม่ได้รู้สึกจิตมุ่งแต่จะส่งไปถึงการเข้าพบท่านผู้ใหญ่ท่านอาจารย์จึงคอยดักทดสอบเอาในตอนนี้ ขอให้สังเกตให้ดีคำถามเช่นนี้ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกับการสอบสัมภาษณ์ทดสอบในด้านเชาวไวไวพริบหรือทดสอบในด้านความละเอียดสังเกตสังกาเช่นถามจำนวนขั้นของบันไดที่ใช้เหยียบขึ้นเรือนอย่างนี้ก็หาไม่คำถามของอาจารย์นันอินเพ่งไปในทางทดสอบสติสัมปชัญญะโดยแท้ ธรรมดาของบุคคลประเภทอาจารย์นั้นท่านย่อมเป็นผู้สูงอายุได้รู้ได้เห็นโลกมานานเห็นชีวิตมาอย่างทั่วถึงศึกษานิสัยใจคอของศิษย์มาหลายสิบหลายร้อยรุ่นแล้วทั้งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆอยู่เป็นปกติฉะนั้นท่านย่อมรู้อะไรก้าวล่วงเด็กๆที่เพิ่งจะโผล่มากล้าแข็งไม่กี่ปี ท่านอาจารย์นันอินองค์นี้ท่านเป็นผู้เหนือกว่าต่อยอดขึ้นไปอีกนั่นก็คือแม้ท่านจะเหนือกว่าท่านก็ไม่ใช่เป็นคนไม่นำพาต่อเด็กๆที่กำลังจะตะเกียกตะกายขึ้นมาเป็นอย่างเช่นท่านบางังจึงใช้วิธีทักท้วมที่ง้ามที่สุดดังกล่าวมาในเรื่องนี้ แม้ไทยเราก็มีการตั้งเกณฑ์เอาไว้เป็นสุภาษิตแต่เดิมมาว่านักเลงเก่าเขาไม่หารรานนักเลงคำว่านักเลงในภาษาไทยเราคำนี้กินความลึกซึ้งมากยิ่งลงได้เป็นนักเลงเก่าด้วยแล้วนั่นหมายความว่าท่านยิ่งไม่จําเป็นจะต้องไปละรานใครอีกต่อไป ลอยให้คนที่เขาเข้าใจเอาเองว่าตนเป็นนักเลงนั้นเที่ยววาดลวดลายไปก่อนหากเขาขยบเป็นนักเลงได้จริงๆเขาเองจะรู้ได้เองแล้วจะเลิกลาการต่อแยตีกลับเล่นงานนักเลงอื่นไปเองความเป็นเช่นนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเอสธรัรมโมสนันตโนได้เหมือนกัน ที่เราโกลาหนมีแต่รบพุ่งด้วยหอปากในเวลานี้นั้นขอให้ทราบเถิดว่านั่นมิใช่มาจากนักเลงจริงโดยแน่แท้ทีนี้สำหรับภิกษุเทนโนในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นพระจริงเหมือนกันไม่เสียทีที่อยู่กับอาจารย์ดี ท่านสามารถวินิจฉัยพิจารณาตัวเองได้ตลอดและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามธรรมในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ได้ท่านอีกองค์หนึ่งเป็นอาจารย์ที่ประกาศสั่งสอนควรจะถือเป็นเนติแก่พระหนุ่มสามเณรน้อยได้เป็นอย่างดีการที่จะสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้ประกาศธรรมนั้นไม่ควรจะให้ใครแต่งตั้ง ควรจะให้ธรรมะนั้นเองเป็นผู้แต่งตั้งเพราะตัวเองนั่นแหละเป็นผู้รู้จักตัวเองดีกว่าผู้ใดโดยเฉพาะผู้ที่ทราบนิสัยตัวเองว่าเป็นคนขี้อวดก็ยิ่งจะต้องหดหัวให้มากเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะเราย่อมรู้ดีกันอยู่แล้วว่ากิจกรรมใดที่ต้องทําต่อหน้าธารกรรนัน เช่นการแสดงบนเวทีบนธรร ม, มกเราจะได้ยินบ่อยๆว่าบางคนถ้าไม่มีใครคอยมองก็แสดงออกท่าออกทางไม่ได้ดีโดยเฉพาะผู้แสดงเป็นตัวตลกยิ่งมีคนดูมากมีเสียงหามากยิ่งคิดมุกตลกในขณะนั้นได้มากอาการอย่างว่านี้จะนำมาใช้ในเรื่องแสดงพระสัทธรรมไม่ได้ เพราะผู้แสดงก็จำต้องปฏิบัติตัวอยู่ในธรรมชื่อปฏิลีนะเป็นผู้หดกลับอยู่แล้วไม่ใช่แสดงคำโดยปรารบรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเอบนทงรงลาชอย่าให้โอกาสที่เย้าวยวนให้ย่ามใจเช่นนั้นมาทำให้พระผู้ประกาศศาสนามีใจปล่อยเหิมฮึก กล้าแสดงเกินกว่าระดับทุนแท้จริงของตัวไปดีไม่ดีมันเลยจะกลายเป็นว่าการแสดงธรรมกับการแสดงจำปวดเป็นของอย่างเดียวกันคือเอาผู้ฟังผู้ชมเป็นหลักพระสัตวธรรมเลยจะเลื่อนเปื้อนเอาโลกเป็นเกณฑ์เอาตนเองเป็นเกณฑ์อันหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นทูตแห่งธรรมนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้งานนี้มาก่อนก็ขอกล่าวบอกให้ความรู้เพิ่มเติมสักอย่างหนึ่งว่าการประกาศทำนั้นผู้ที่เคยเรียนทำมาแล้วก็สามารถทำได้ผู้ที่ฝึกฝนตนมาแล้วก็ทำได้แต่พวกแรกต้องอาศัยการขบทำก่อนแล้วจึงหาทางพูดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตาม พวกหลังไม่ต้องขบเพราะมันแจ้งใจอยู่เองแล้วหากให้พูดอธิบายจะทำได้ดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ที่ความสามารถทางนิรุกติฉะนั้นการประกาศธรรมจึงมีเป็นสองอย่างกันอยู่อย่างแรกต้องอาศัยเรียนแล้วจำแล้วแจง้งแล้วคิดหาถ้อยคำ และพ้อเปรียบให้ฟังง่ายจึงเป็นงานที่มากไปด้วยความตรึกวิตักกบพาหุโลส่วนพวกหลังนั้นไม่ต้องพยายามเช่นนั้นถ้าพูดหรือแสดงออกมาไม่ได้ไม่ถึงคราวก็ไม่พูดที่จะให้พูดไม่ถูกจริงไม่ถึงจริงเกินจริงไปนั้นท่านต้องไม่พูดแน่ แต่คราวใดเกิดพูดออกมาทีหรือแสดงอะไรออกมาทีก็ต้องปรากฏว่าได้ผลเป็นทีเด็ดไม่มีข้อล้มเหลวเป็นเรื่องของความจริงโดยตลอดคุณธรรมที่ดีมากแต่ยังเร้นอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็คือภิกษุเทนโนผู้นี้ตระหนักในสติปัญญาของผู้เร่า สามารถยังเห็นได้ถึงภูมิปัญญาแห่งอาจารย์ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปถึงอย่างท่านคุณข้อนี้หาดูได้ยากสมัยนี้มีแต่จะดึงดันไปในทางประเมินกําลังของตนผิดไปเพราะไปนึกว่าความหนุ่มแน่นกว่าทันสมัยกว่าทันเหตุการณ์กว่าเช่าวไวไวพริบและความฉลาดฉเฉลียวมีมากกว่า แล้วตัวเองก็มองข้ามถึงความรอบรู้ของผู้เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งมองไม่เห็นท่านแสดงออกอย่างวิสัยคนหนุ่มที่ขี้อวดคนพวกนี้ยิ่งจะเหมาเอาเลยว่าท่านไม่สู้จะเหมาะสมกับโลกที่มีอะไรอะไรอย่างในปัจจุบันนี้และแล้วคนพวกสมัยใหม่นี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย จากคนเฒ่าคนแก่ผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นมันเลยกลายเป็นว่าพวกเด็กๆรุ่นนี้สมัครใจจะเริ่มอะไระไรย้อนใหม่มาตั้งแต่ต้นแล้วขขวยคว้านับหนึ่งมาใหม่เลยทำอะไรรู้อะไรไม่ไปถึงไหนเพราะอายุคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งมันจำกัดฉะนั้นเราจะต้องนึกกันเสียใหม่ ความรู้บางอย่างความจัดเจนบางแขนงคนเราไม่ควรจะย้อนไปทาไปค้นคว้ามันมาด้วยตนเองมันจะเป็นการเสียเวลาของชีวิตไปเ ป, เปล่าๆยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียงแต่เราถอดทายเอามาจากผู้ที่เขาเคยล้มลุกคุกคลานในเรื่องนั้นมาแล้วก็ทำให้เราได้ผ่านบทเรียนอันนั้นไปได้ในเวลาที่ประหยัด ข้อนี้จะทำได้ก็โดยการมันพินิษฐมันสดับจากผู้คงแก่เรียนรุ่นก่อนเราคนที่ไม่เคารพความคิดของคนอื่นเป็นคนไม่มีธรรมและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ธรรมพระไตรปิฎกฝ่ายเทรวาตราังในคำพีสังยุตพระพุทธเจ้า ได้เล่านิทานเกี่ยวกับลูกช้างไว้ก็มีพระประสงค์เปรียบข้อความนี้ใจความมีว่าพวกลูกช้างมองเห็นช้างใหญ่เวลาลงอาบน้ำในสระบัวเขาใช้งวงรวบสายบัวถอนหัวและรากบัวขึ้นมากินตนไม่รู้ก็เอาอย่างบ้าง หารู้ไม่ว่าเขาใช้วงส่วนจมน้ำที่มองไม่เห็นนั้นควานข้างใต้น้ำเมื่อถือบัวทั้งกอได้แล้วก็เอาแกว่งล้างจนสะอาดเสียก่อนแล้วจึงกินเข้าไปลูกช้างพอถอนบัวได้ก็ใส่ปากกินเข้าไปจึงเกิดเรื่องเพราะกลืนเข้าไป ท, ทั้งทั้งที่ตมโครนติดอยู่ นี่ก็เรียกว่ารู้ไม่แท้การศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ยังครึ่งครึ่งกลางกลางให้ระวังจงหนักศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่พอที่จะมาขาดประโยชน์ด้วยคนหนุ่มที่มีแต่อวดดีก็อย่าให้ขาดไปเสียเลยเรื่องอย่างนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ควรจะช่วยกันระมัดระวังไว้ระมัดระวังให้ใครอื่นไม่ได้ก็จงระวังตัวเองให้ได้ก็จะไม่เสียทีดูเอาเถิดท่านทั้งหลายเท่าที่เล่าสาทกและปรารกมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อมาห้อมล้อมให้เห็นว่านิทานเรื่องนี้ช่างเป็นความดี ทั้งของท่านอาจารย์และของลูกศิษย์ที่จะกลายเป็นอาจารย์ผู้สืบอายุพระศาสนาเสียจริงๆกรณีใดที่มีดีกันทั้งทางฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายผู้น้อยเช่นนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องฟังแล้วนิ่มนวลจบลงด้วยความสำเร็จบรรลุถึงจุดหมายเยี่ยมยอดน่าฟังน่าชมกันทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายตัวอาจารย์ผู้เท่าผู้รู้จริงทั้งฝ่ายสิทธิ์ผู้บำเพ็ญกรณียะได้ถูกและเหมาะหมงรวมทั้งฝ่ายศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ได้ลูกตถาคตอันแท้จริงสืบ อ, อายุไว้จนในที่สุดฝ่ายประชาชนพุทธบริษัทก็พร้อยมีโชคดีที่ได้พระผู้ประกาศธรรม ให้แก่เขาเป็นสุปฏิปันโนน่ากราบน่าไหว้ด้วยประกาพระชนี